พระสุตตันตปิฎกหรือเรียกสั้นๆว่าพระสูตรเป็นประมวลเทศนาของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงแก่บุคคลต่างชั้นต่างวันณนะตามโอกาสต่างๆแต่ละสูตรมีทั้งบทนำเนื้อหาสาระของพระเทศนาและบทสรุปว่าหลังจบพระเทศนาแล้วผู้ฟังได้รับผลอย่างไรบ้างแบ่งเป็นห้านิกายเรียกย่อว่าทีมะ สังอังคุคือ 1.. ทีฆานิกายรวมพระสูตรยาวๆองมัชิมะนิกายรวมพระสูตรขนาดกลาง 3. สังยุตตานิกายรวมพระสูตรที่มีเนื้อหาเดียวกันเข้าด้วยกัน 4. อังคุตระนิกายรวมพระสูตรที่มีข้อธรรมะจากน้อยไปหามากห ขุท ธ, ธากาณิกายรวมพระสูตรเบตเตเลดที่ตกหล่นจากการรวบรวมเป็นศีนิกายข้างตน้นทีฆานิกายพระสูตรที่หนึ่งรมชาลสูตรเนื้อหาแบ่งเป็นสองตอนตอนต้นว่าด้วยศีลสามระดับคือหนึ่งจุลศีลศีลระดับต้นสองมัชชิมะศีลศีลระดับกลางและมหาศีล ศีลระดับสูงตอนปลายว่าด้วยทิฏฐิหรือทิศดีหรือปรัชญาของลัทธิต่างต่างร่วมสมัยพุทธกาลมีทั้งหมด62ทิศดีพระพุทธเจ้าทรงยกขึ้นมาอธิบายชี้ให้เห็นว่าพระพุทธศาสนามีหลักคำสอนต่างจากทิศดีทั้ง62นี้อย่างไรพระสูตรที่สอง สามัญญพลสูตรว่าด้วยผลของความเป็นสมณนะชี้ให้เห็นว่าการเข้ามาบวชถือปรมจร์ในพระพุทธศาสนานั้นได้อานิสงส์ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับสูงสุดอย่างไรคือหนึ่งพ้นจากสถานภาพเดิมหรือเลื่อนสถานภาพทางสังคมเช่นพ้นจากทาตกรรมกรชาวนา เป็นพระภิกษุทรงศีลได้รับการนับถือจากคนทั่วไปแม้กระทั่งพระมหากษัตริย์ 2. เมื่อสมบูรณ์ด้วยศีลสำรวมอินทรีย์มีสติสัมปชัญญะสันโดษบำเพ็ญสมาธิก็จะได้ฌานระดับต่างๆ 3. ได้วิชาสามอันมีการทำอาสวะให้สิ้นไปในที่สุด พระสูตรที่สอัมพัทสูตรโต้อตอบกับอัมพัทมานกสิทธิของโปุขระสาติพราหมณ์เรื่องวรนนะพราหมณ์กับวันณะกษัตริย์ใครสูงกว่ากันทรงชี้แจงว่าความรู้และความประพฤติสำคัญกว่าชาติสกุลใครก็ตามยังถือชาติถือโคดถืออวาหะวิวาหะคนนั้นจะห่างไกลจากวิชาคือความรู้และเจรณะ คือความประพฤติอย่างยอดเยี่ยมแต่เมื่อละการยึดติดสิ่งเหล่านั้นได้จึงจะทำให้แจ้งซึ่งความรู้และความประพฤติอันยอดเยี่ยมพระสูตรนี้กล่าวถึงประวัติศาสตร์แห่งสักยะวงศ์ด้วยพระสูตรที่สโซนทันทสูตรโตตอบกับโสนทันทพราหมด้วยเรื่องสมบัติห้าอย่างของพราม ส่งให้พราหมพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วให้ตัดข้อที่มีความสำคัญน้อยออกไปทีละข้อทีละข้อผลที่สุดเหลือแต่ศีลกับปัญญาแล้วส่งชี้ว่าศีลกับปัญญานี้แหละเป็นคุณสมบัติที่แท้จริงของพราหมชาติชั้นวันนะไม่ใช่ตัวกำหนดพระสูตรที่หกูตะทันตะสูตร ว่าด้วยการบูชายันที่ถูกต้องและมีประโยชน์มากคือการสังคมสงเคราะห์ไม่ใช่ด้วยการฆ่าสัตว์บูชายันดังที่นิยมทากันพระสูตรได้แสดงวิธีการแก้ปัญหาสังคมที่จะได้ผลดีที่สุดด้วยพระสูตรที่6มหาลิสูตรโตตอบกับมหาลิลิชวีด้วยเรื่องตาทิพหูทิพ ส่งชี้ว่าผลสำเร็จระดับนี้ไม่ใช่จุดหมายปลายทางของการประพฤติพรหมจรรย์ภิกษุทั้งหลายมิได้ประพฤติพรหมจรรย์นในสำนักของพระองค์เพื่อเจริญสมาธิให้เป็นเหตุได้หูทิพตาทิพเพราะยังมีคุณธรรมที่สูงกว่านั้นคือการทำอาสวะให้สิ้นไปพระสูตรที่เจ็ชาลียะสูตร ทรงสนทนากับนักบวชสองคนคือชาลิยะกับมันธิยะปริภาชกเรื่องสรีระหรือร่างกายกับชีวะหรือจิตว่าผู้รู้เห็นความเป็นจริงย่อมไม่กล่าวว่าสรีระกับชีวะเป็นอันเดียวกันหรือต่างกันพระสูตรที่8มหาสีหนาถสูตร ตรัสแก่ชีเปลือยชื่อกัสปะว่าพระองค์ไม่ได้ปฏิเสธตบะทุกชนิดว่าไม่ดีไปหมดในตัวตบะเองคงไม่ดีไม่ชัว่วตบะอย่างเดียวกันคนประพฤติคนหนึ่งอาจไปนรกอีกคนอาจไปสุขติก็มีชีเปลือกัสปะกล่าวว่าการบำเพ็ญวัดปฏิบัติเข้มงวดต่างๆเช่นเปลือยกายเป็นสิ่งประเสริฐ ทำได้ยากยิ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่าเพียงการแก้ผ้าใครๆก็ทำได้ไม่ได้ประเสริฐอะไรความสมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาเจริญเมตตาจิตทำให้แจ้งเจโตวิมุตตปัญญาวิมุตตมีประโยชน์ที่สุดทรงสรุปว่าพระองค์กล้าบรรลือท้ำกลางบริษัทกล้าตอบปัญหาและทาให้ผู้ฟังเลื่อมใส ปฏิบัติตามจนได้ผลก็เพราะพระองค์เองทรงปฏิบัติจนได้ผลมาเองในเรื่องศีลสมาธิปัญญาข้างต้นนั้นพระสูตรที่เกปตถะปาทะสูตรตอบคำถามของปุตถะปาทะปริภาชกเกี่ยวกับเรื่องปัญญากับอัตตาว่าเป็นอย่างเดียวกันหรือต่างกัน จนโพธิธาปาทะเข้าใจและเห็นด้วยกับพระองค์วันต่อมาเขามากราบทูลอีกว่าตนถูกพวกปริภาชกติเตียนว่าคนขนาดเขาไปเชื่อพระสมณะโคดมได้อย่างไรพระสมณะโคดมไม่เคยยืนยันอะไรในแง่เดียวเลยไม่ชี้ชัดเลยว่าโลกเที่ยงหรือไม่โลกนี้ที่สิ้นสุดหรือไม่พระพุทธเจ้าตรัสแกเขาว่า พระองค์ทรงพยากรณ์ปัญหาคือตอบปัญหาหลายวิธีคือทรงใช้ทั้งวิธีเอกังศิกะตอบยืนยันในแง่เดียวและวิธีอเนกังศิกะตอบหลายแง่ตอบมีเงื่อนไขพระสูตรที่สิบสุภัสสูตรเป็นพระสูตรที่พระอานนท์แสดงแก่สุภามานพสุภามานพถามว่า สมัยที่พระพุทธเจ้าทรงพระชนอยู่ได้ตรัสชักชวนประชาชนให้ตั้งอยู่ในธรรมะข้อใดมากที่สุดพระอานุนตอบว่าทรงชักชวนประชาชนให้ตั้งอยู่ในศีลสมาธิปัญญาอันเป็นอริยะมากที่สุดพระสูตที่สิบเอ็ดเกวัตสูตรว่าด้วยปฏิหารสามอย่างคือหนึ่ง อิทธิปาติหาร 2. อ, อาเทสนาปาติหารคือดักใจถ่ายใจคนอื่นได้และ 3. อนุศาสนีปาติหารแสดงธรรมะจนเกิดผลดีน่าอัศจรรย์พระองค์ทรงรังเกียจปาติหารสองข้อข้างต้นทรงสัรเสริญเฉพาะอนุศาสนีปาติหารทรงห้ามสาวกแสดงอิทธิปาติหารโดยแม่จำเป็น พระสูตรนี้เล่าถึงพระรูปหนึ่งมีฤทธ์เหาะไปถามข้อข้องใจของตนกับเทวดารมก็ไม่มีใครแก้ข้อสงสัยได้เท้ามหาพรมบอกให้มาถามพระพุทธเจ้าเท่ากับแสดงว่าถึงจะมีฤทธิ์มากมายฤทธ์ก็ช่วยแก้ปัญหาไม่ได้คําสอนที่ถูกต้องสําคัญกว่าพระสูตรที่สิบสอง โ, โลหิตจะสูรโลหิตจะพรามเข้าใจผิดว่าผู้ที่จะบรรลุธรรมแล้วไม่ควรสอนคนอื่นเพราะจะเป็นคนโลภเช่นโลภอยากได้สาวกอยากได้ชื่อเสียงพระพุทธเจ้าตรัสสอนว่าคนที่ไม่สอนคนอื่นนั่นแหละเป็นคนโลภเป็นคนเบียดเบียนคนอื่นไม่อนุเคราะห์คนอื่นเหมือนผู้บริโภคของที่ควรบริโภคแต่เพียงผู้เดียว ไม่เผื่อแผ่แก่คนอื่นแล้วส่งแสดงศาสดาสามประเภทที่ควรติคือหนึ่งปฏิบัติไม่ได้ตามที่สอนเขา 2. ตนปฏิบัติไม่ได้ตามที่สอนแต่สาวกตั้งใจฟังคําสอนไม่ละทิ้ง 3. ตนปฏิบัติได้ตามที่สอนเขาแต่สาวกไม่ตั้งใจฟังพากันละทิ้ง และทรงแสดงศาสดาที่ควรสันเสริญคือศาสดาที่มีคุณสมบัติสมบูรณ์ในตัวเองทั้งที่สาวกตั้งอยู่ในศีลฌานทั้งสี่และวิชา8ประการพระสูตรที่13เแต่วิชสูตรว่าด้วยวิธีการปฏิบัติเพื่อเข้าถึงพรมมันหรือพระพรหมจุดหมายสูงสุดในศาสนาพราหมณ์ รามหนุ่มสองคนคือว่าเสตะกับพารัตวาชะต่างอ้างว่าตนรู้ทางที่จะเข้าถึงพระพรหมตกลงกันไม่ได้ไปถามพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงทักว่าที่พวกเขาอ้างว่ารู้วิธีการที่จะเข้าถึงพระพรหมนั้นเคยเห็นพระพรหมบ้างไหมพวกเขาบอกว่าไม่เคยทรงถามต่อว่าอาจารย์อาจารย์ของอาจารย์ จนถึงเจ็ดชั่วยุคของพวกเขามีใครเคยยืนยันไม่ว่าเคยเห็นพระพรมได้รับคําตอบว่าไม่มีจึงตรัสสำทับว่าก็เมื่อพระพรมตนก็ไม่เคยเห็นยอมฟังไม่ขึ้นพรามผู้รู้ไตรเพศเหล่านี้ต่างก็สอนต่อๆกันมาอย่างมืดบอดไม่ต่างอะไรกับคนตาบอดจับเชือกจูงคนตาบอด คนต้นคนกลางและคนปลายต่างมองไม่เห็นกันตอนท้ายพระสูตรพระองค์ทรงแสดงวิธีการเข้าถึงพระพรหมในความหมายของพระองค์คือต้องออกบวชประพฤติปรมาจรรย์ดำรงอยู่ในศีลและนิวรแผ่เมตตาจิตไปสู่ทิศทั้งหลายอย่างหาประมาณไม่ได้อย่างนี้จึงจะถือว่าเข้าถึงพระพรหมจริง ประสูตรที่สิบสี่มหาปทธานสูตรว่าด้วยประวัติของพระพุทธเจ้าในอดีตหพระองค์คือพระวิปัสสีพระสิกขีพระเวสภูพระกกุสันทะพระโกนาคมนณะพระกัสปะรวมเป็นเจ็ดทั้งประวัติของพระโคตมะของเราด้วยพระสูตรนี้มีข้อความควรทราบคือ ธรรมดาของพระโพธิสัตว์สิบห้าอย่างเช่นเวลาลงสู่พระคันมีสติสัมปัตชัญญะอยู่ในพระคันไม่เปื้อนมนทินประสูต์แล้วทรงดําเนินด้วยพระบาทเจ็เก้าเป็นต้นมีในพระสูตรนี้ไม่ใช่ว่าอาจารย์รุ่นหลังแต่งพระพุทธประวัติว่าเอาเอง